มีเวลาเก้านาทีช่วงนี้หลวงพ่อขอโทษพวกเรานะหลวงพ่อหาล้าเยอะมากเลยออกไปข้างนอกก็จะกลับมาตึกๆทุกวันเช้ารีบมาแล้วก็จะไม่มีแรงสู้พวกเราพวกเราเยอะหนึ่งต่อร้อยเนี่ยสู้ยากนะร้อยคนก็ร้อยกิเลส นีเวลา8นาทีนะัเราพูดธรรมะให้จบก็ได้นาทีหนึ่งก็พูดจบได้คือเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยศึกษาเสร็จแล้วเราจะพ้นทุกข์นี่เราจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องมาเรียนรู้รเรื่องทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราก็เลยต้องมาเรียนที่กายกับใจ เรียนยังไงเรียนคอยดูนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไปมีสตินรู้ถึงความมีอยู่ของกายมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจรู้ถึงความมีอยู่ของมันถ้าขาดสติเมื่อไหร่นะมันจะลืมกายลืมใจถ้ามีสติแล้วมันก็รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจนี่รู้ด้วยสติในขณะที่เรารู้กายรู้ใจด้วยสตินย ใจของเราต้องตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆถ้าหากเราดูกายดูใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสบายๆดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกเราจะเห็นความจริงของกายของใจการที่เรารู้กายรู้ใจด้วยจิตใจตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ต่างหากนี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนา เมื่อเราจเจริญมิปัสสนาเรารู้กายเรารู้ใจมากเข้ามากเข้ามันจะเกิดความเข้าใจความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวความเข้าใจเรียกว่าปัญญาเมื่อมันเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันจะรู้เลยกายนี้มันไม่เที่ยงนะกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นเสียจแทงอยู่ตลอดเวลากายนี้แรละไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุเท่านั้น ไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งก็พอถ้าเห็นแล้วมันก็หมดความยึดถือกายไปในทางจิตใจเราก็คอยรู้ไปจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลักของวิปัสสนานะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสมถะเนี่ยแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอันนี้ไม่ใช่สมถะหมายถึงว่ามีสติไปรู้แต่ถ้าเราไป เพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะงั้นเรามีทำมิปัสสนานะเรามีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีใจที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นมีปัญญาคือกายมันเป็นยังไงรู้เป็นอย่างนั้นรู้ลงไปมันเป็นไตรลักษณ์การที่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจกนะ็เรียกว่าปัญญาถ้าเห็นแล้วมันจะเกิดบีมุติมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ พอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายกับใจเป็นตัวทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยถ้าเราไม่ไปแบกไปหา ม, มันนะเราก็พ้นจากความทุกข์นั่นเองงั้นเราภาวนาจนเรารู้ความจริงของกายของใจได้นะจะวางความยึดถือกายยึดถือใจเพื่อวางก้อนทุกข์ลงไปเราก็พ้นจากความทุกข์นี่การปฏิบัติง่ายเท่านี้เองมีหลักเท่านี้แหละขั้นแรกก็ มีสติขึ้นมานะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจต่อมาใจเราตั้งมั่นอยู่เราก็จะเห็นเลยกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่ขั้นเจริญวิปัสสนาพอรู้ความจริงแล้วทีแรกก็ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้สวดาบันรู้กายรู้ใจต่อไปอีกเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจเลือกไม่ได้หรอกเดี๋ยวรู้กายเดี๋ยวรู้ใจ แล้วแต่สติจะไประลึกอะไรหรือบางทีก็เผลอไปเลยไม่รู้กายไม่รู้ใจก็ได้เหมือนกันแต่อย่าให้เผลอนานให้คอยมารู้กายมารู้ใจบ่อยๆในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวความเข้าใจนี่แหลตัวสำคัญนะคือตัวปัญญาเพราะพุทธเจ้าสอนบอกบุคคลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา พอเราเห็นความจริงของกายของใจมันจะวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้เข้าถึงธรรมะที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ได้อยู่ไกลไกนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ต้องเที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยๆยิ่งเราไปเที่ยวสแสวงหานิพพานเราจะไม่เจอนิพพานแต่เมื่อไรจิตของเรามีปัญญาหยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาจิตของเราทําหน้าที่รู้ลูกเดียวเลยนะ ไม่ปรุงอะไรเพิ่มเติมจากการรู้เนี่ยเราจะเห็นนิพานปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนิพานมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นนี่พอใจของเราเข้าไปถึงนิพานไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจชั่วขณะหนึ่งเห็นนิพานเดี๋ยวก็กลับมายึดอีกนะกลับมารู้กายรู้ใจมาตาะ ก, กายกออใจอีกรู้ซ้าแล้วซ้ำอีกนะปล่อยนะครั้งที่สองครั้งที่สาม ครั้งที่สรู้แจ้งสี่ครั้งนึงคราวนี้จิตมันจะอตโนมัตมันจะไม่เกาะเกี่ยวในกายในใจนี่แหละจิตจะเข้าถึงภาวะที่กว้างขวางไร้ขอบไร้เขตนี่เพิ่งเจอภาษาบาลีนะท่านเรียกว่าวิมะริยาทิกัดต้องพูดช้าๆเพราะว่าเรียกยากสมัดเลยภาษาบาลีเรียกวิมัตวิมริยาทิกัดสภาวะของจิต ที่มันไม่ก่อไม่เกี่ยวอะไรแล้วมันกว้างขวางครอบโลกเลยนั่นมันจะมีแต่ความสุขล้วนๆในตัวของมันเองจิตใจของเรานี่โดยตัวมันนะั้นมันสบายอยู่แล้วแต่เราถูกกิเลสครอบงับถ้าเรารู้เท่าทันนะพอกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันเนี่ยจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อเมืจิตไม่ปรุงแต่งจิตพ้นความปรุงแต่งไปถ้ารู้ไม่เท่าทันจิตปรุงแต่งต่อนะจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา งั้นพอเรารู้สภาวะรู้เท่าทันจริงๆจิตไม่ไปปรุงต่อนะความทุกข์ไม่มีในใจเรานี่ เ, นเรียนรู้มากเข้ามากเข้านะจนวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจได้ะเห็นไะห ม, มจบแล้วเนาะ <c oughs> มีทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนาะครบถ้าประโยคเดียวก็ได้นะอย่างโลภูธาบอกมีสติรักษาจิตประโยคเดียวก็คลุมหมดละ หวงปู่ ด, ดูลบอกดูจิตสั้นจุดจู๋เลยดูจิตถ้าเซนสั้นยิ่งกว่านี้อีกจบแล้ว <c oughs> ธรรมะนะพูดให้ยาวสามวันสามคืนก็ได้นะพูดให้สั้นสุดๆเธอไม่มีคำพูดเลยก็ได้แล้วแต่สติปัญญาของคนฟังสติปัญญาแก่กล้ามากแล้วฟังสั้นๆเข้าใจปล่อยวางได้ สติปัญญายัางน้อยต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกไปเรื่อยๆจนใจมันเห็นความจริงมันอยู่ที่ความเข้าใจเท่านั้นถ้าเข้าใจนะนะเข้าใจนะคนโบราณตั้งเก่งนะมันเข้ามาถึงใจเลยไม่ใช่เข้าสมองหรือเ <laughs> ข้าไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเข้าใจซเท่านั้นเองใจจะวางแล้ง่ายมากเลย แปดโมงพอดีจบหนึ่งกันละนะนิมนต์ครับองไหนจะฉันนิมนต์เชิญโยมไปทันข้าว